Thank you.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 มันก็มีทธิพลกับร่างกายของเราถ้าเล็กซินเด่นกว่ามันก็ทำให้เราตื่นอะดีโนโซีนเด่นกว่าก็ทำให้เราหลับนะและ้วตลอดเวลาในร่างกายเราก็มีสองตัวนี่นะขับเคลี่ยวกันซึ่งปกติมันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่พิสดานมากนะก็คือว่าตอนเช้าก็ตื่นกลางคืนก็หลับ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 ประมาณยีสิบเปอร์เซ็นก็คือประมาณชั่วโมงครึง่งไอ้ที่เหลือเนี่ยนะไม่ได้ทํางานนะนะใจลอยลอยไปโน้นลอยไปนี่ทั้งหนั่งที่ดูข้างนอกเนี่ยดูภายนอกดูเมือนทํางานนะอยู่หน้าคอมหรือว่าอยู่บนโต๊ะคุยรู้เรื่องนะแต่ว่าไอ้ที่รู้ตัวจริงนะหรือว่าที่อทําทงานจริงๆอ่ะนะมันแค่ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงครึง่ง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 แต่แม้กันนั้นเนี่ยบางทีให้กันรางวัลตัวเองแล้วก็ไม่ได้ผลนะก็อาจต้องใช้วิธีที่ เ, เข้มงวดกันนั้นเช่นหาท่องดูด่าตวาดนะตะวาดในตัวกิเลส อ, อันนี้อาจจะจาเป็นนะเพราะว่าบางทีกิเลสนี่มันมันเหิมเกริมเนี่ยนะไอตัวกิเลสด้วยความขี้เกียจเนี่ยมันเป็นจะเรียกว่าเป็นองค์คลักพิทักษ์ความหลงก็ว่าได้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 เรียกเรียกเรียกหนุ่มเจ๊ะนี่ว่าไอตัวแสบนะคนชาวบ้านแถานั้นไนอะตัวแสบเนี่ยบวชไม่ถึงพรรษาหรอกนะเพราะมันเกเรมากแต่ปรากฏว่าท่านบวชได้ถึงพรนศานะเนื่องาะว่าบังเอิญได้ได้ฟังธรรมะอาจารย์ที่น่านับถือพระอาจารย์กรงมาก็เกิดศรัทธานในการบวชแลว้วตั้งใจบวชแต่ว่าพื้นเพเดิมเนี่ยมันไม่ได้มีศรัทธานในทางนี้ก็ทําให้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 ติเวกิเลสนี่พอมันถูกด่าอยู่นะถูกตะว่านเนี่ยมันก็หดถัวนะแล้วก็ทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะผ่านภาษาที่หนึ่งไมได้ผ่านภาษาที่พอถึงภาษาที่สองเนี่ยท่านตั้งใจว่าจะไม่นอนทั้งคืนเลยในสัจฉิภิเลสก็อยากจะอยากจะนอนนะอยากจะนอนให้ได้ท่านก็พยายามแล้วพยายามมิ้ก็ไม่สําเร็จสุดท้ายก็ต้องตะว่านเลยถ้ามึงภาวนาไม่ได้มึงก็ไปตายซะนะ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 มีพระรูปหนึ่งนะท่านท่านชื่อวิชิชตเสนนะก็มีปัญหาอย่างนี้แหละนะเหนื่อยนายท้อแท้จิตใจไม่ให้ความร่วมมือเลยนะก็ตวาาใส่นะใส่ใจตัวเองเลยนะจอจิตชั่วช้านะเราจะไม่ทำตามเจ้าอีกต่อไปนะเราใช้สติผูกเจ้าอันนี้นะท่านพูดดูเดือนหน่อยแต่บางท่านเนี่ยนะใช้ว่าเธอนะเธอนะเรากับเธอนะ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 พ้อาจารย์ทองรัตน์นะอันนี้ท่านก็เป็นรุ่นเดียวกับหลวงปูเ่เจี้ยก็เรียกว่าเป็นคนที่เอาจริงเอาจังเหมือนกันแล้วก็ผงผังแนวเดียวกันบวชมาพรรษาหนาึ่งพรรษาพรรษาสองมั้งปรากฏว่าการมราคากำรเริบอยากจะศึกเรียกว่าร้อนผ้าเหลืองก็ไม่ยอมนะหยิบขวานขึ้นมา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 นะแพ้คนแก่ได้ไงธรรมชาติของกิเลสอัตตาหรือมานะมันไม่ชอบมันไม่อยากจะยอมแพ้ใครคนที่เห็นผู้หญิงขยันทําความเพียรไอเราเป็นผู้ชายตัวใหญ่ยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยแต่ว่าใจเป็นปสัสสาวเนี่ยนะเห็นแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ยอมนะมันต้องสู้ให้ได้อันนี้ก็เรียกว่ า, าใช้ตัวกิเลสเนี่ยนะมากระตุน้นนะใช้ใช้มาะนะเอาชนะกิเลส น, นะ